แต่ระพินก็ยังไม่ปรากฏกายกลับมาให้เห็นเอป่านนี้ทำไมระพินยังไม่มาอีกเราเข้ามาจนถึงที่นี่และตั้งแคมป์เสร็จไปตั้งนานแล้วชายยันเลยขึ้นอย่างเป็นห่วงเดินไปแหวกประตูกระโจมออกมองเข้าไปยังเรือนกระเลียงที่ปลูกอยู่เป็นทิวสลับซับซ้อนเหมืองเมืองเล็กๆคงมีเรื่องที่จะต้องพูดกับขยินอยู่มากปล่อยเขาเถอะเดี๋ยวก็คงมาเอง เชียวาออกความเห็นอย่างคนใจเย็นตามนิสัยดารินผู้กำลังสุดคุกข่าวตรวจสอบอาการของจมุอยู่ก็เงยหน้าขึ้นอย่างน้อยที่สุดกลับมาส่งข่าวเราก่อนก็ยังดีนี่เงียบฉี่ไปเลยน้อยว่าให้เสกับบุญคำไปตามดีกว่าก่อนที่พี่ชายจะตอบว่าไะไรชายยานผู้ยืนมองอยู่หน้าประตูกระจกก็ร้องบอกมาเบาๆว่าอ้อโผลมาโน่แล้วแต่เอ๊ะ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 ยอดเหลือเกินนะเจ้านายของเกิดคนนี้หญิงสาวผู้ใส่หน้าเกิดหางเสียงประชดริมฝีปากกราดไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นชื่นชมเชิดฐาและชายยันก็พลอยสบายใจหมดข้อกังวลไปด้วยต่างกลับเข้าไป พ, กพักผ่อนรอคอยอยู่ในกระโจมมุได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาในเวลาบ่ายสามโมงพอรู้ตัวว่าอยู่ที่ไหนก็ผงะตกใจ คว้ามือสาวคนรักไปกุมไว้แน่นดาลินยิ้มให้อย่างปลอบใจพูดอ่อนโยนโดยให้แง่ทายทําหน้าที่เป็นล่ามว่าไม่ต้องตกใจเจ้ากับคนรักของเจ้าขณะนี้อยู่ในความคุ้มครองของเราขยินจะมาทําอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นและขยินก็รับปากแล้วว่าจะไม่ทําอะไรเจ้าทั้งสองคนหมูอาจต้องตายเพราะเขี่ยวหมูหมูเป็นห่วงนางอ้ว เขาฝากมันไว้กับนายหญิงด้วยอย่าให้ใครทำอันตรายมันเมื่อมุตา ย, ตายแล้วกเกรียงหนุ่มผู้บูชารักพูดแผ่วๆดาลิน ส, ส่นศีรษะช้าๆใบหน้ายังริ้มยิ้มมามายอยู่เช่นนั้นวางมือลงบนหน้าผาของลูกชายหัวหน้าบ้านมูจะไม่ตายและเดี๋ยวนี้เราก็ช่วยให้ปลอดภัยแล้วมูจะได้อยู่กับนางอ้วนตลอดไป หล่อนพูดเสียงหวานและจัดการฉีดยาให้คนเจ็บอีกเข็มหนึ่งต่อจากนั้นจังมุกก็หลับไปอีกด้วยความอ่อนเพลียจากพิษบาดแผลชะกันราวสี่โมงเย็นระพินภัยวันก็โผล่เข้ามาในเต็นท์ของนายจ้างมีร่างหนึ่งตามติดมาเบื้องหลังด้วยสายตาของทั้งสามพุ่งจับไปยังร่างนั้นเป็นตาเดียวเป็นชายวัยประมาณห้สิบเศษผมสีเทาเป็นกระเซิงคาดไว้ได้วยผ้าสีแดง สูงใหญ่กำยำขนาดแง่ทรายใบหน้าเยี่ยมเกลียมดุดันตาขุนปราศจากแววแก้มข้างหนึ่งมีรอยแผลเป็นจากเล็บเสือลึกเป็นทางลงมาจรดคางที่คอมีสงวานทำด้วยเขี้ยวสัตว์ป่าห้อยอยู่เอวเหน็บมีสัน้นมือถือปืนแกลบกระบอกยาวสูงเกือบท่วมหัวพอมองเห็นถนัดชายยันก็อุทานออกมาเบาๆว่านี่มันองคุลีมานี่ว่ะ ขยินก้าวเข้ามาหยุดยืนเด่นอยู่กลางกระโจมตาขุนไปด้วยสายเลือดมองจับไปยังคณะชาวพระนครทั้งสามพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูเหมือนเสแสรขยินมาเยี่ยมคำนับและทำความรู้จักกับพวกเราพวกของคุณชายครับพานใหญ่บอกยิ้มยิ้มดาลินยืนกอดอกจ้องหัวหน้าหมู่บ้านหล่มช้างคำเมินเชิดถากับชายยันยิ้มให้ชาวขาวร่างยักษ์ผู้นั้น พางพยักหน้าทักทายเราดีใจที่รู้รจักเจ้าขยินพวกเราทั้งหมดมาอย่างมิตรเชษฐาเป็นผู้ปราศัยและแงซ า, ายก้าว เ, เข้ามาเป็นล่ามให้แกคณะนายจ้างบูรุษหน้าเยี่ยมกวาดตามองดูเชษฐาชัยยันและมาจับนิ่งอยู่ตรงดาลินเป็นคนสุดท้ายแล้วหัวเราะออกมาเหมือนเสียงวัวพวกนายมากับพรานใหญ่ ข้ายินย่อมถือเสมือนแขกผู้มีเกียรติแม้ว่านายจะเป็นต้นเหตุ น, นาความวิบัติมาสู่พวกเราเราไม่ได้นำความวิบัติมาสู่พวกเจ้าชายยานพูดก้าวๆอย่างไม่พอใจตรงข้ามเรามาเพื่อช่วยเหลือพวกเจ้าตะาหากริมฝีปากหนาบนใบหน้านั้นเสียกว้างออกไปอีกเหลือบตามองไปรอบเต็นแล้วไปจับนิ่งอยู่ที่ร่างอันหมดสติของมุ ผู้นอนอยู่กับพื้นปูผ้าใบมีร่างของนางอ้วหมอบตัวสั่นอยู่แล้วตาก็ลุกโพลงขึ้นนางอั้วส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวออกมาคําหนึ่งยกมือขึ้นปิดซ่อนหน้าไว้อย่างโนดานขยินเคลื่อนเข้าไปอย่างแช่มช้าแต่ทันทีนั้นเองดาดินก็ทะลันปราดเข้าขวางหน้าไว้มือแตะอยู่ที่ด้ามปืนสั้นจุดสาห้ในสองข้างเอวถอยออกไป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 นางอ้วกเกาะหลังหล่อนยึดเป็นที่พึ่งหญิงสาวเอื้อมมือไปจับแขนเด็กสาวผู้น่าสงสารอันเป็นคูรักของจมุกไว้บีเบาๆอย่างปลอบโยนทุกคนก็เดินตามเข้ามาด้วยเขายิตมาหยุดยืนอยู่เหนือร่างอันหมดสติของลูกชายซึ่งหายใจรวยๆอยู่เขาหน้านั้นเครียดหน้ากลัวริมฝีปากเสยะออกแต่แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นความสลดนิ่งขรึมอยู่เป็นเวลานาน มันเก่งแต่ก็เก่งไปได้ไม่นานถ้าเป็นพ่อของมันจะไม่ถูกหมูขิดอย่างนี้เลยเสียงนั้นเอ่ยออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองแล้วก็เหนื่อยขึ้นมองไปยังดารินถามว่าเจ้ามูจะตายหรือไม่ก็เจ้าต้องการให้ลูกชายของเจ้าตายหรือไม่เล่านักมนุษยวิทยาสาวย้อนถามมาด้วยเสียงกระด้าง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 มูเป็นคนกล้าหาญแต่เจ้าเป็นคนขาดตาขาวขยินตาลุกโคงยืดอกขึ้นจ้องหล่อนด้วยแววตาทะ่มึนถึงคำรามลั่นออกมาขยินนะลึกขาดตาขาวหญิงสาวยิ้มเยาะพยักหน้าย้ำมาอย่างไม่พรา่นเพลิงตามนิสยัยอันห้าวหาญไม่หว่นใครเจ้านั่นแหละขยินหัวหน้าหมู่บ้านหลุมช้างทุบ อ, อกตัวเองสนัน กิริยาฮึดฮัดเปี้ยวกาดแค้นเคืองเราคนไปกับความพิสูงประหลาดใจครามคันฮ่าฮาไม่ว่าจะเป็นป่าล่างป่าบนไม่เคยมีใครบังอาจมาว่าขยินขาดตาขาวเลยท่านเป็นแต่เพียงหญิงร่างงามน้อยนิดเพียงแค่นี้ทําไมจึงหาลมาดูหมิ่นขยินผู้เป็นใหญ่อยู่ในป่านี้เจ้าใหญ่ได้รูปร่างเท่านั้นขยินนักประจญภัยสาวเลือดค้น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 ขยินไม่ได้ส่งหนางอ้วออกไปเป็นเหยื่องูเพื่อจะให้ตัวเองรอดบุรุษหน้าเยี่ยมจอมโหดแห่งหล่ช้างตอบมาด้วยเสียงอันดังก้องฮึดฮัดอยู่เช่นนั้นหันกลับมาดูระพินนิดหนึง่งขยินเพียงแต่ขับมันออกไปให้พ้นจากหมู่บ้านเพราะพ่อแม่ได้ตัวมันประพฤติผิดจนเจ้าโกรธส่งงูมาทำโทษพวกเราทั้งหมดพ่อกับแม่ของมันถูกงูเอาไปกินแล้วคืนให้มันอยู่ต่อไป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 แต่เพราะท่านมากับพรานใหญ่ผู้เป็นสหายรักของขยินฟังมันไอ้นี่มันจะโสโองหังใช่เล่นมันน่าซัดให้สักปาบ๊บหรือไงชายยันผู้เลือดร้อนพอๆกับดาลินสบดออกมาแต่เชื่ถาสกิดแขนไว้กล่าวกับขยินอย่างอารมณ์เย็นต่อไปถ้าเจ้าไม่คิดว่าเจ้าจะร่วมมือกับเราได้เพราะัวตายก็ไม่เป็นไรเจ้ากับพวกเจ้าทุกคนหดหัวอยู่ในบ้านเฉยๆ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 เจ้าอยากจะรู้นักึืมว่าใครเป็นคนฆ่าไอ้แหวงชา ย, ยันถามพร้อมกับหัวเราะหึๆเจ้าจะคำนับให้แกผู้นั้นไหมล่ะขยินยิงฟันออกมานิดหนึ่งเห็นฟันซีใหญ่ดำเป็นคราบมองดูระหว่างเชืฐถาและชายยันเหมือนจะหาทางคเนาว่าในระหว่างสองคนนี้ใครเป็นมือที่พิฆาตไอ้แหว่งลงหัวของขยินไม่เคยก้มให้แกใคร แต่จะขอก้มให้สักครั้งสำหรับมือที่ค่าไอแหวงถ้าเช่นนั้นก็ก้มหัวอันแสน จ, จะยโสโง่เง่าของเจ้าลงให้ผู้หญิงคนนี้เสียด้วยโดยดีชายยันบอกมันหักแน่นพร้อมกับชี้มือไปยังดารินผู้ยืนหน้าเคร่งขึมอยู่เพราะหมั่นไสในกิริยาท่าทีของขยินนับตั้งแต่เห็นก้าวเข้ามานักเรียงใหญ่ชาวดอยหันขวับไปจ้องดาเินแล้วลืมตากว้าง มองกลับมายังชายยาันและเช่ถาอีกครั้งร้องออกมาขยินไม่เข้าใจท่านหมายความว่ายิงเอวบางคนนี้น่ะหรือที่ฆ่าไอ้แหวงไม่ต้องสงสัยหรอกขยินผู้หญิงคนนี้นี่แหละที่ยิงไอ้แหวงล้มลงขยินแงหน้าขึ้นแหปากคุรอกกึกกล้องไปทั้งเต็นตัวงอไปงอมาเหมือนจะพบกับเรื่องขบขันที่สุด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 ไอ้ลิงทโมนตัวนี้มันดูแคลนพวกเราเข้าให้เสียแล้วมิหนำซ้ำยังขยับท่าเบ่งทับเสียอีกด้วยเอาเรื่องจริงๆแฮเจ้านี้ถ้าจะต้องปราบกันด้วยวิธีตัดไม้ข่มนามหรือไม่ก็เชือดคอไก่ให้ลิงดูเสียแล้วชายยันพูดพร้อมกับหัวเราะอย่างถอนฉิวแล้วจ้องไปทางขยินผู้ยังหัวเราะงอหายอยู่เช่นนั้นนี่แปลว่าเจ้าไม่เชื่อหัวเราะย้อนเฮาหรือ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 นอกจากมือของพรานใหญ่เองจริงอยู่เขาบอกกับขยินว่าพวกท่านข่ามันขยินก็รู้ทานอยู่ว่าเขาต้องการให้ขยินยอมรับนับถือพวกท่านด้วยเพราะพวกท่านเป็นนายของเขาว่าแล้วหัวหน้าบ้านหล่มช้างอันลบือชื่อก็ยืดอกขึ้นยิ้มพรายออกมาอย่างโอ้อวดภาคภูมิใจกล่าวเสียงดังฟังชัดต่อมาว่าในป่านี้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 กัดลิ้นฝีปากแน่นโมอโหจนบอกไม่ถูกที่ทุกคนดงศพประมาทใหญ่ัยเอาซึ่งซึ่งหน้าหลอนกกรธจนกระทั่งกลายเป็นขำจ้องขยินตาเขียวปัดระพินบอกมาเบาๆว่าสันดานของเจ้าขยินมันเป็นอย่างนี้แหละครับมันเชื่อมั่นในตัวเองและจะไม่ยอมเชื่อใครเป็นอันขาดจนกว่ามันจะเห็นกับตาถึงเวลาแล้วครับที่คุณหญิงจะต้องเชื่ดคอไก่ให้เจ้าลิงตัวนี้ดูอย่างคุณชยันว่า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 คุยนักว่าฝีมือยิงปืนของเจ้าเป็นเลิศไหนบอกเราซิเจ้าหญิงได้แม่นสักขนาดไหนนักเลงใหญ่ชาวดอยนิ่งคิดอยู่อึดใจก็บอกว่าระยะร้อยเก้าลูกมะขิดเด็กนิดเดียวแขวนอยู่บนต้นขยินก็ยังยิงถูกหญิงสาวอมยิม้มยิงให้เราดูเป็นขวัญตาหน่อยได้ไหมขยินหัวเราจะจนนันออกมาอีกครั้งหนึ่งอย่างลำพอง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 ขยินยืดตัวเป็นสง่าหันไปมองหน้าทุกคนช้าๆแล้วชี้ไปที่มะขิดรูกนั้นเห็นมะขิดรูกนั้นหรือไม่นักเลงปืนตัวเอของคณะติดตามคนสาบศูนซ่อนยิ้มพยักหน้าเห็นขยินจะยิงให้ถูกด้วยกระสุนนัดเดียวก็ยิงสิขยินวาดปืนขึ้นไปประทับบ่าอย่างภาพภูมิท่ามกลางคนของฝ่ายคณะเดินทาง และพวกลูกบ้านที่ยึงมุมล้อมดูอยู่อย่างแน่นขนาดคันแล้วปืนเพลิงอันเป็นต้นตระกูลของปืนทั้งหลายเมื่อร่วมสองร้อยปีมาแล้วก็ระเบิดบึ้มขึ้นควันตลบอบอวนคลุ้งไปหมดขยินมีฝีมือยิงปืนแม่นยำสมกับที่ได้อวดอ้างไว้เหมือนกันมอควิดอันเป็นเป้าหมายลูกนั้นแหวงกระเด็นหายไปครึ่งซีซีกที่เหลือติดขั้วอันเหนียวแน่นแกวงตงเตียงไปมา พวกบริวารของขยินเองทั้งหลายพากันโห่ขึ้นอย่างเลื่อมสายศรัทธาในฝีมือของหัวหน้าแต่พวกลูกหาของคณะเดินทางผู้เคยชินกับฝีมือของดารินมาก่อนแล้วไม่รู้สึกทึ่งอะไรสักนิดในฝีไม้ใายใมืออย่างขยินเก่งมากขยินดารินพูดยิ้มยิ้มระบายควันบุหรี่ออกทางช่องจมูกเรายังไม่เคยเห็นใครมีฝีมือยิงปืนยิงใหญ่ไปกว่าเจ้าเลย แม้กระทั่งพานใหญ่ขยินพูดจริงทำได้จริงไม่อ้อวดนักเรียงชาวดอยหัวร้อห้าห้าแล้วประกาศกล้องออกมาหญิงสาวก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งเอาละคราวนี้ยิงอีกทียิงอีกก็ถูกอีกใช่ต้องถูกแน่ทีเดียวสำหรับฝีมืออันยิ่งใหญ่ของเจ้าแต่คราวนี้เราไม่อยากเห็นเจ้ายิงลูกของมัน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 ในที่สุดขยินก็เหมือนจะเสี่ยงตัดสินใจบรรจุลูกปืนนัดใหม่แล้วยกขึ้นเลงยิงอย่างปราณีตที่สุดเหนี่ยวไกลั่นตูมควันขโมงออกไปอีกปรากฏว่ามะขิดลูกที่แวงอยู่ครึ่งหนึ่งนั้นไม่ได้สะดุง้งสะเทือนอะไรเลยขยินหน้าเสียเล็กน้อยบนรร่นพัมเกาหัวกรกลา ก, ลากแล้วก็หันมาบอกว่าท่านจะให้ยิงขั่วมันได้ยังั่วของมันเท่าเส้นเชือกเล็กนิดเดียว ใครบ้างจะยิงถูกระยะก็ห่างมากผู้หญิงเอวบางที่เจ้าว่านี่ยังไงละ่ะจะเด็ดขั้วมาควิดลูกนั้นให้เจ้าดูพร้อมกับพูดดารินประทับจุด3 00เวทบีขึ้นเสียงแผดแหลมกึกก้องออกไปและไม่ทันจะสิ้นเสียงมะควิดลูกที่ขยินยิงแหวงอยู่ก่อนครึ่งลูกขาดจะขั้วล่นตุบลงมากลิ้งอยู่บนกับพื้นอย่างนิ่มนวลราวกับใครเอามีดคมๆไปปาด หัวหน้าบ้านหลมช้างยืนอ้าปากค้างและโดยไม่กล่าวคำใดอีกเลยดาลินเล็งยิงไปยังขั่วของมะขิดที่แขวนเด่นโดดเดี่ยวอีกสี่ลูกตามกิ่งก้น้นตา่างๆทุกครั้งที่มันลั่นออกไปแต่และลูกเหล่านั้นร่วงพลอยลงมาสู่พื้นเหมือนเป่าด้วยมนโดยผิวไม่ได้ระคายกับลูกปืนเลยแม้แต่ลูกเดียวยิงลูกมันจะมีประโยชน์อะไรขยิน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 อย่างตื่นเต้นประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวพากันมองจับนิ่งมายังหญิงสาวเป็นตาเดียวดารินยิ้มออกเล็กน้อยส่งไรเฟิลกระบอกนั้นไปให้แงซ า, ายถือไว้แล้วบอกให้เกิดหยิบอ่านสังกะสีใบหนึ่งไปส่งให้แก่ขยินซึ่งนักเกลงใหญ่ชาวดอยรับมาถือไว้อย่างงง ง, งไม่รู้เรื่องตัวหล่อนเองเดินห่างขยินออกไปห69แล้วหันหน้ามาไปชิญพยักหน้าออกคําสั่งว่า โยนจานไปนั้นขึ้นไปบนอากาศขยินโยนสิขยินกระพริบตาอยู่เช่นนั้นยกจานในมือขึ้นดูพอหลอนเตือนอีกครั้งก็โยนรอยคว้างขึ้นไปบนอากาศเหนื้อศีรษะของตนเองพริบตานั้นเองดาลินก็กระชากปืนสั้นจากซองข้างเอวขึ้นมาอีกมือหนึ่งตบปัดนกปล่อยกระสุนออกไปสนันวันไหวที่ยิ้ <c oughs> ทุกคนเห็นจานใบนั้นพลิกกลางอากาศเคว้งคว้างหมุนติ้วหลายตลบ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 บาดนี้ซีดเผือดเหลือสองนิ้วตาเหลือกโพรงจานใบนั้นมีรอยกระสุนเจาะพุ่นอยู่หกนัดไม่เพียงแต่ขยินเท่านั้นแม้แต่ระพินไพยวันเองก็ยืนคอแข็งเขาเพิ่งเห็นหม่อมราชวงศ์หญิงดาดินวราดิศปล่อยฝีมือปืนของหล่อนอย่างเต็มที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งแทบจะไม่เชื่อสายตาเด็ดเลยน้อยต้องเอาให้มันเห็นซียอย่างนี้ชายยันร้องบอกมาอย่างชอบ อ, อกชอบใจ ขยินขี้ขบัดนี้กลายเป็นคนใบ้ไปเสียแล้วได้จะยืนกอกหน้าอยู่เช่นนั้นจ้องมองดูหญิงสาวเหมือนจะเห็นสิ่งประหลาดมหาศิจันที่สุดในชีวิตแล้วยิ้มออกมาแ ย, แย่ๆความยโสโอหังหมดสิ้นไปราวกับปลิดทิ้งหญิงสาวป้านสีหน้าเคร่งคลึมจ้องประสานตาขยินแน่วแน่ไม่กระพริบและย่างเท้าเคลื่อนใกล้เข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้ายกมือเท้าเอวพูดเสียงห้วนหนักดุ ด, ดันนี่คือ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 นายหญิงจะต้องมีเวทมนต์คาถาอยู่ในรูปปืนที่ยิงออกไปจึงแม่นยำผิดธรรมดาเช่นนี้ขยินขอคำนับและขออภัยที่ได้ดูหมิ่นไม่เชื่อมาก่อนนายหญิงอภัยให้ขยินด้วย